ตอนที่ก้าเจิ้งอวิ๋นชงสาบานเจิ้งอวิ๋นชงไม่ได้ตอบคําถามของโจเจีเจ้ยนเย่ยโดยตรงทว่าวกลับโยนเรื่องกลับไปที่ตัวเขาแทนสหายหลีมีบุญคุณช่วยชีวิตค่าความขี้สกปรกเต็มหัวของเจ้านี่ช่างน่าละอายต่อการอบรมสั่งสอนที่ประเทศมีให้เจ้าจริงๆเจิ้งวิ๋นชงกล่าวด้วยน้ําเสียงราบเรียบเจ้าคิดว่าทุกคนจะเหมือนเจ้าหรือลูกเมียในบ้านไม่รู้จักดูแลให้ดีกลับไปปกป้องคนนอกออกหน้าออกตาทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่คนตาบอดใครบ้างจะดูไม่ออกว่าเจ้าเป็นฝ่ายนอกใจ เจ้ากลับผลักสายความรับผิดชอบทั้งหมดไปที่สหายหลีคิดจะบีบสองแม่ลูกให้ตายหรืออย่างไรนิสัยเหมือนแม่เจ้าไม่มีผิดเจ้องอางวินชงในเขตทหารไม่เคยมีนิสัยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านมาก่อนอีกอย่างสองแม่ลูกหลีชิงผิงนั้นดูผอมแห้งแรงน้อยไม่ต้องคิดก็รู้ว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จรองผู้พันเจิงผู้ถูกข่าเคยเห็นนกกล่าวหลิวมาหาโจาจี้ยเยี่ยที่เขตทหารตั้งหลายครั้งเอ คราวก่อนข้ายังเห็นแม่ของสหายโจมาที่เขตทหารนักข่าวหลิวเข้าไปกอดแขนประจบประแจงเสียยกใหญ่คนไม่รู้คงนึกว่าเป็นแม่สามีลูกสะใภ้กันจริงๆนักข่าวหลิวคนนี้ก็น่าเป็นสาวเป็นนางยังไม่ได้แต่งงานจะมาพัวพันกับผู้พันโจที่แต่งงานแล้วทําไมกันจะทําไมหลักก็เผื่อจะได้เขี่ยเมียหลวงทิ้งแล้วขึ้นมาแทนที่ไงข้านึกออกแล้วมีหน้าหรือคราวนี้รองผู้พันเจิ้งถึงหายเงียบไปนานหลังจากทําภารกิจเสร็จที่แท้ก็ไปเจออันตรายมานี่เอง คำพูดของรองผู้พันเจิญเข้าใจง่ายมากผู้พันโจกับนากเกาหลิวมีปัญหากันจริงๆผู้คนรอบข้างต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่ต่างชี้หน้าด่โจเจี้ยนเยี่ยวกับหลิวเคอร์เคอว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสมหลิวเคอเคอร์อกำมัดแน่นตั้งแต่เล็กจนโตนางมีแต่คนคอยออกเอาใจไม่เคยต้องมารับความอับอายสอดสูเช่นนี้มาก่อนนางแผดเสียงโตกลับด้วยความโกรธแค้นใครนอกใจตอนนี้พวกเขาสองคนหย่า ก, กันแล้วหลิวเคอเคอตาแดงก่ำด้วยความโกรธหลีชิงทิง แม่ของผู้พันโจเขียนจดหมายมาบอกหมดแล้วว่าเจ้าอยากเหยียใจจะขาดในช่วงที่ยังแต่งงานกันอยู่เจ้าเป็นฝ่ายผิดเจ้ายิงจะโยนความรับผิดชอบทั้งหมดมาให้ผู้พันโจอีกเจ้าทนเห็นเขาได้ดีไม่ได้หรือไงคิดจะทําลายเขาใช่ไหมลีชิงพิงใจหายวาับทําลายโจเจียนเยี่ยในระหว่างพวกเขาสองคนใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายทําลายใครเป็นสามีภรรยากันมาหลายปียามที่นางต้องอดทนอัดกลั้นอยู่ที่บ้านเดิมเขาอยู่ที่ไหน ยามที่นางพาลูกสาวอดมือกินมือเขาอยู่ที่ไหนยามที่ถูกพ่อสามีแม่สามีไล่ออกจากบ้านเขายังอยู่ที่ไหนลีชิงผิงมั่นใจว่านางไม่เคยทําเรื่องใดที่รู้สึกผิดต่อโจเจี้ยนเย่ยเลยสักครั้งนางพยายามประคับประคองครอบครัวเล็กๆของพวกเขาอย่างสุดความสามารถเป็นโจวเจี้ยนเย่ยต่างหากที่เป็นฝ่ายผิดลีชิงผิงมองโจเจี้ยนเย่ด้วยสายตาเด็ดเดี่ยวในเมื่อแม่ของเจ้าบอกเรื่องที่เราอยากกันแล้วนั้นเมื่อกี้เจ้าจะพูดจาหน้ารังเกียจแบบนั้นมาทําให้ข้าใสา่เสียเอ็นทำไม แถมยังลากรองผู้พันเจอร์มาเกี่ยวด้วยผู้คนที่ยังไม่รู้สถานการณ์คงนึกว่านางทรยศต่อชีวิตสมรสซ้ำยังลากรองผู้พันเจิ้งลงน้ําไปด้วยถ้ากําลังจะคิดบัญชีกับเจ้าพอดีโจเจี้ยนเยี่ยกำมัดแน่ในสายตาของเขาหลีชิงพิงเห็นชัดว่าอาศัยการมีที่พึ่งถึงได้กล้าพูดกับเขาด้วยน้ําเสียงเช่นนี้ก่อนหน้านี้ที่เจอกันนานไม่กล้าแม้แต่จะทําหน้าบึ้งใส่ด้วยซ้ําทําไมตอนนี้แส้งทาต่อไปไม่ไหวแล้วหรือ ดีค่าก็อยากจะฟังเหมือนกันว่าระหว่างเรายังมีบัญชีอะไรที่ยังสสางไม่จบลีชิงผิงจะคิดบัญชีกับเขาให้ละเอียดเลยทีเดียวลี่หว่านแววตาเป็นประกายตอนนี้แม่ของนางกําลังรบเต็มที่ต้องกดไหลให้เสียหน่อยนางรู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าหลิวเคอเคอแอบสืบเรื่องของพวกนางสองแม่ลูกวันนี้หลิวเคอเคอจงใจทําเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่ต่อหน้าผู้คนมากมายก็เพื่อจะสาดน้ําเสียเรื่องนอกใจใส่ตัวแม่ของนางเพื่อให้ความผิดนี้ติดตัวไปตลอด จากนั้นพวกเขาสองคนจะได้อยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยหรือหว่านเพียงแค่ใช้แผนซ้อนแผนอาศัยจังหวัดที่มีคนมากมายในวันนี้แชร์เรื่องเน้าเฟะของหลิวเคอรเคอกับโจเจี้ยนเย่ยให้หมดอยากจะรู้นักว่าถึงตอนนั้นใครกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายอับอายเจ้าไม่ยอมใช้ชีวิตกับข้าดีๆวันๆเอาแต่หาเรื่องแม่ข้าอยู่ที่บ้านเดิมหลีชิงพิงเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือโจเจี้ยนเย่ยตาหนิด้วยความโกรธแค้น ผู้หญิงที่ไม่รักษาศีลธรรมอย่างเจ้าอย่าไปก็ไม่น่าเสียดายเจ้ายังหลอกเอาเงินจากแม่ข้าไปอีกสองพันหยวนช่างกล้าดีนะแม่ของเจ้าไม่ชอบข้าแต่ไหนแต่ไรท่านพูดอะไรเจ้าก็เชื่อแล้วเจ้าเคยฟังข้าพูดบ้างไหมลีชิงผิงเลิกคิ้วมุมปากปรากฏรอยยิ้มย้อยยันเจ้าจไม่อยากรู้หรือว่าทําไมข้ากับลูกถึงมาที่เมืองนี้งั้นข้าจะบอกให้แม่กับน้องสาวของเจ้าจะฆ่าพวกเราสแม่ลูกเพราะกลัวว่าพวกเราจะขวางทางที่เจ้าจะแต่งงานใหม่พวกเราไม่มีทางเลือกถึงต้องหนีมารองผู้พันเจิ้งกระแอมไอ ข้าขอใช้ตำแหน่งทหารของข้าเป็นประกันว่าสิ่งที่สหายหลีพูดเมื่อครู่เป็นความจริงทั้งหมดพูดจบเขาก็หยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อพวกนางสองแม่ลูกไม่มีที่อยู่อาศัยจริงๆตอนที่ช่วยชีวิตข้าพวกนางอาศัยอยู่ในบ้านเก่าที่ผู้ใหญ่บ้านไม่เอาแล้วบ้านหลังนั้นลมกรกทุกทิศทางยามฝนตกข้างนอกตกหนักข้าเลยก็ตกไม่แพ้กันเจ้างอาวินาชงออกหน้าเป็นพยานคนรอบข้างต่างก็เชื่อถือในตัวเขาทว่ามีเพียงสองคนที่ไม่มีวันเชื่อหนึ่งคือโจจี้นยียและอีกหนึ่งคือหลิวเคอร์เคอร์ พวกเขายินกรานที่จะไม่เชื่อโจเจี้นเยียกัดฟันกรอดมารยาของผู้หญิงคนนี้ช่างล้ำลึกนักเพียงไม่กี่วันก็ทําให้รองผู้พันเจิ้งหลงสเสน่ห์ได้ถึงเพียงนี้ไร้กาจริงๆข้าไม่เชื่อท่านกล้า ส, สาบานที่นี่หมว่าพวกท่านสองคนไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันหลิวเคอเครอรสักใส่ด้วยอารมณ์รุนแรงเจิ้งอวิ๋นชงตาว่สายตายเย็นชาไปมองแววตาคู่นั้นไม่มีอารมณ์ใดเจอปนเยี่ยเยียบจนหน้าขนลุกหลิวเคอเครอรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาล ร, รอบกายนางรอบปลื้นน้ำลายด้วยความหวาดกลัว รองผู้พันเจิงถ้าท่านไม่กล้าสาบานก็แสดงว่าสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกท่านพูดจะไร้าสามัญสํานึกท่านมีพิรุธว่ากําลังใช้อํานาจในทางที่ผิดได้ฆ่าสาบานได้เจิ้งวิงชงพยักหน้าอย่างสงบแต่หลังจากฆ่าสาบานเสร็จแล้วก็ถึงตาเจ้าต้องสาบานบ้างเจ้ากล้าหรือไม่หลิวเคอเคอไม่เข้าใจว่าเขาหมายความว่าอย่างไรจึงไม่กล้าตอบรับในทันทีขณะที่นางกำลังลังเลเจโจเจียนเย่ก็ชิงตอบรับแทนได้ โจวเจี้ยนเย็ดอกกล่าวอย่างหนักแน่นท่านกล้า ส, สาบานข้าก็กล้า ส, สาบานข้าไม่ได้ให้เจ้าสาบานข้าให้นักข่าวหลิวต่งหากเจิ้งอวิ๋นฉงดูออกว่าหลิวเคอเคอมีความสามารถในการรับแรงกดดันทางจิตใจค่อนข้างต่ำไม่มีปัญหาโจวเจี้ยนเย่ยรับคำแทนหลิวเคอเคอตอนนี้หลิวเคอเคอต่อให้คิดจะขัดขวางก็ไม่ทันเสียแล้วนางเริ่มกังวลว่าต่อไปเจิ้งอวิ๋นฉงจะพูดอะไรสหายเจิง้งหลี่ชิงพิงไม่อยากลากเขาเข้ามาเกี่ยวข้อง นางอ้าป่ากจะพูดด้วยความกังวลแต่เจ้งางวินฉงส่งสายตาบอกให้นางใจเย็นๆหลีหวานข้าขอใช้ชีวิตเป็นเดิมพันสาบานณนะที่นี่หากมีคำลวมแม้ครึ่งคำขอให้ข้าตายไม่ดีเจ้งางวินฉงกล่าวต่อข้ากับสหายหลีชิงทิงสะอาดบริสุทธิ์ต่อการไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียและข้าไม่เคยมีความคิดที่ไม่สมควรพูดถึงตรงนี้แวาตาของเจ้งางวินฉงก็เข้มขึ้น แต่หลังจากนี้จะมีความคิดอะไรหรือไม่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้สหายหลีชิงผิงเป็นโสดลูกผู้ชายโสดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคนไหนก็มีสิทธตามจีบนางทั้งนั้น